ธรรมบรรยายในพรรษาปีพุทธศักราช2546โดยหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณวัดป่าสุกโตอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิวันที่2กันยายน2546ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับธรรมจบรงแล้ว เอาสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยจิตใส่ใจตามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้พูดออกไปได้ใส่ใจได้หายใจได้ตั้งใจก็ถือว่าเราได้ทำจิตจะวัดวิธีวัด ในทางที่ถูกที่ชอบแล้วต่อมานี่ก็มาฟังคำอีกเพื่อเป็นการขูดกลาให้ได้ยินให้ได้ฟังในการกระทําสิ่งที่เราทําเราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเราได้ทําให้มันเกิดความสมดุลในการปฏิบัติให้สมูรณ์แบบ แล้ว เ, เราก็ทําลงไปมันจะจริงจะผิดจะถูกก็อยู่ที่การกระทําแล้ววัดเนี่ยเรียกว่ากรรมาฐานที่ตั้งแห่งการกระทําเอากายมาทําเอาใจมาทําเอาสติมาตั้งไว้ที่กายมาตั้งไวนน้นานๆให้รู้สึกตัว อาศัยกายเป็นวัตถุอุปกรณ์สร้างความรู้สึกตัวอย่าไปเกรงอย่าไปมีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องบางทีก็เอาความคิดไปเกี่ยวข้องถูกผิดอยากได้ถูกไม่อยากให้มันผิดอยากมีสุขไม่อยากให้มันมีทุกข์อย่าไปทาอย่างนั้นทำเฉยๆทำซื่อๆทำตรงๆ มันเราออกโยคะเรานวดตัวเราอย่าไปเกรงมันยังจะถึงเ้นถึงเอ็นเหมือนกันเราเขาจะขีดยาให้เราอย่าไปเกรงปล่อยปลอยอก้ามทุกส่วนให้มันอ่อนอ่อนมันยังจะสะดวกมันยังจะเป็นธรรมชาติการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน จะไปเกรงยกมือสรั่งจังหวะรู้ซื่อใจก็ซื่อซื่อกายก็ซื่อซื่อการกระทาก็ซื่อซื่อตรงตรงมีความรู้สึกตัว <c oughs> กับอริบทที่เราเพื่อนเขาไว้เนี่ยให้มันรู้ทําให้มันรู้ไม่ได้ทําเพื่อให้มันผิดมันถูกเรื่องผิดเรื่องถูกไม่เกี่ยวเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็ไม่เกี่ยว เรื่องได้เรื่องเสียก็ไม่เกี่ยวไม่มีไรได้ไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรผิดไม่เลยมีอะไรถูกขา่าความรู้สึกตัวนะมันเหนือนแล้วมันผ่านมาได้แล้วอย่าอย่าวกวนกลับไปเอาผิดเอาถูกไม่ใช่ติดมือขึ้นรู้สึกเคลื่อนไหวไปมารู้สึกเอาขยันเวลาใดมันหลงล็กขยันลู้ขยน ตรงที่มันหลงถ้ามันหลงแล้วไม่เปลี่ยนมันหลงอะไรมันเข้าไปทางไหนเอามาต่อเอาไปไหนมันไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้อยู่ในป่าไก่ตัวเมียอยู่ข้างนอกไก่ตัวผู้ก็มาล่อไก่ตัวเมียเข้าไปในป่าไก่ตัวผู้ที่อยู่ข้างนอกก็ไปล่อตัวเมียที่อยู่ในป่าออกมา อันนั้นก็ถือว่าไม่มีกรรมฐานไม่มั่นคงมันจะไปทางไหนไปทางความคิดไปทางอความอยากไปทางความผิดไปทางความถูกความผิดก็เป็นเรื่องของเราความถูกก็เป็นเรื่องของเราความสุขก็เป็นเรื่องของเราความทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราอยากไปเป็นอย่างนั้น ความทุกเป็นเรื่องของความทุกขความสุขเป็นเรื่องของความสุขความผิดเป็นเรื่องของความผิดความถูกเป็นเรื่องของความถูกเขาเป็นอย่างนั้นมานานแล้วเราก็โลภไปเห็นเห็นโ <Bright. S 2> ลวกวุ<ะ>่นนี่แหละผิดทางไหนผิด็ทางความคิ ด, ด<ะ>ตรงนีมากเหมือ น, นกันเอ้ตรงนี้เมือนกันมีผิดมีถูกตรงนี้ด้วยมีสุขมีทุกตรงนี้ด้วย ตรงกายมันก็มีผิดมีถูกมีสุขมีทุกข์กที่ตรงนั้นด้วยเราก็กลับมามาลูดสึกตัวมาลูดสึกตัวมันจะเป็นอะไรทำมาลูดสึกตัวลูดสึกตัวท่าเดียวถ้ามันลูดมันมีอะไรแย่งมากว่าว่างทิ้งมันเลยทิ้งทุกอย่างไปทำมันอื่นไม่ใช่สู้ซึ่งหน้าบางที สู้ต่อหน้าไม่ได้แล้วก็มีอุบายอันอื่นเยอะเชะเรานั่งสร้างจังหวะความหลงมันคุกคลามความสุขความทุกข์มันคุกคลามอ่ะเราก็ไปทางอื่นไปทางอื่นมันมีอะไรที่มาพัวพันมาครอบงแล้วก็ไปลู จ้ไปทอดสะพานให้สิ่งต่างๆชักสะพานเสียหรืเอเจ้าสอนชักสะพานออกจากความสุขชักสะพานออกจากความทุกข์ชักสะพานออกจากความโลภของโกรธวามหลงไปโน่นไม่จะว่าอย่างไงทอดออกมาปับ๊บไม่ต้องทอดให้มันสุขทอดออกมาทุกข์ทอดออกม า, กอออกมาชักออกมาอ ให้มันหมดท่าไปเลยไม่แต่ความรู้สึกตัวไม่แต่ความรู้สึกตัวแล้วเราก็สร้างได้นี่ยนะในวัตถุอุปกรณ์ที่เราสร้างได้อยู่ยกมือเคลื่อนไว้ไปม า, าอะไรที่มันจะเป็นความรู้มีมากหายใจรูกหายใจก็ได้คืนน้ำลายก็ได้พิบตาก็ได้เอามือไปจับต่อนจับนี่ดู มีเจตนาที่จะรู้สึกไปกับอริยบต่างๆเพื่อให้มันคล่องแคล่วในการสร้างความรู้ไม่จนไม่เยอะทางที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวมีเยอะแยะแต่พิจิตรเรื่องนี้ความหลงมันก็มีทางที่จะหลงเยอะแยะเราก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวมีทางที่จะทําให้เกิดความรู้สึกตัวเยอะแยะเหมือนกันเขช่นกัน ก็มีเท่านี้แหละปฏิบัติธรรมเราก็ทำอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันก็มารวมอยู่ตรงนี้แล้วมันก็มีให้เห็นอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นศูนย์รวมมันเป็นตลาดนัดของความรู้ของความหลงของความสุขของความทุกข์ถนะ้าเรามีกรรมาฐานแต่ถ้าไม่มีกรรมาฐานก็โอ้ ไม่มีไม่เห็นไม่เห็นที่จะอะไรที่จะม า, าผ่านมันเป็นทางผ่านของทุกอย่างถ้าเรามีกรรมฐานมีสติเห็นกายเรีว่าเห็นกายยาโนปัสสนาแล้วเวทนามันก็จะมามาผ่านความคิดก็จะมาผ่าน เทนามันก็หลายอย่างอ ย, า อ, ยาอย่างหยาบอยาบหยาบกลางกลางอยาบละเอียดความสุขความทุกข์อ่าเป็นความคิดเนี่ยถ้าดูแล้วมันก็เป็นความทุกข์นะคนไม่รู้จักว่ามันเป็นความทุกข์ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเป็นภาระ มันเป็นภาระต่อชีวิตทั้งหมดเลยมันหิวมนหอบไปไน้อยไม่ปกติสิ่งไหนที่ทำให้ไม่ปกตินั่นแหละถือว่าเป็นภาระเราจะมาสร้างความรู้สึกตัวนเพื่อสร้างฐานให้มันเกิดความปกติให้มันเกิดความปกติ มันกันในบ้านในเรือนเรามนอะไรที่ไม่ปกติเราพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอไปไม่ปกติปุ๊บๆเพ๊บๆเสียงเครื่องขยายค้างเ อ, อือแล้วก็ใช่สร้างให้มันแต่ก่อนเครื่องตรงนี้มันก็ดังเออเออเออเอออะไแล้วก็หาห ม, มุนเหตุมันก็เลยพบแล้วดูกับท่านนรสท่านนรสเออเออมันมันก็มีตรงนี้แล้ว เราก็แก้ได้ก็เงียบแล้ว่างนัชีวิตเราก็มันกันมันไม่ปกติก็ไม่เยอะอ่ไอเจ้าสุกซดไอเจ้าลกวนเหมือนยุงที่เจ้าลำคาญแล้วก็กางมุ้งไม่ให้มันเข้ามาอันนั้นมันเป็นวัฏภัยภายนอกแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราสติอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียว ใช้ได้หลายอย่างรู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวมันไม่เหมือนว่าถนเดือนเพราะการรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวปฏิบัติมันเป็นตัวปฏิบัติถ้ารู้สึกตัวถือว่าได้ทำทุกอย่างถือว่าได้รักษาศีลถ้ารู้สึกตัวถือว่าได้ทำสมาธิถ้ารู้สึกตัวถือว่าได้สร้างปัญญา มันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะเกิดการประสบการณ์เกิดบทเรียนเก่งไปเรื่อยๆนะเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆา ก, การสร้างตัวลูกตัวลูกกลายไปเป็นญานนอนกลายเป็นปัญญากลายเป็นศีลกลายเป็นสมาธิกลายเป็นวิปัสสนากรรมาฐานนอนกลายเป็นวิมุตต์หลุดพ้นไปนอน เรารู้สึกตัวแนละ้วหรืเราเดินทางจากไหนจนมาถึงที่นี่ที่เราตั้งใจที่จะมาแล้วมาแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้ยินได้ฟังได้พบมิตรพบเพื่อนได้สัมผัสนะกับบรรยากาศนะความเท็จความจริงมันเป็นอย่างไรมาพิสูจน์ ต, ต้วเองไม่ให้จะเป็นคำพูด ตอนเช้าตอนเย็นแต่เราก็พิสูจน์ได้เอาคำพูดมาสัมผัสเอาคำที่พูดมาเป็นการกระทาถ้าเป็นหลวงพ่อพูดคนเดียวเาเราหลายคนเอาไปทำเราไปทำก็เห็นอันอื่นต่างกันไปลรกคนละวานละเห็นมีสติเห็นบางคนก็หลงบางคนก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ มันลงไปทางความคิดเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้อ่าก็เราก็ทำอันเร็วกันเราทำเหมือนกันนี่คือของจริงตายเราก็ไม่เหมือนกันเคลื่อนไหวไปมาก็เคลื่อนไหวไปมาเดินก็เหมือนกันอหอยหลังก็เหมือนกันเดินไปข้างหน้าก็เหมือนกันในพระสูตรพงเพียงแต่พูดว่าการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออก การเดินไปข้างหน้าการเดินไปข้างหลังการทรงกิวนการฉันเบ็นธบาตแล้วเราก็ใช้เอาคำที่พระเจ้าตัดมาเป็นเรื่องของเราการเดินไปขานาเราสัมผัสกับการเดินโดยความรู้สึกตัวการถอยมาข้างหลังเราสัมผัสกับการเดินในลักษณะถอยการโค้งแขนเข้า เรายกมสร้างจังหวะเพื่อนไหวไปมารู้สึกตัวมีสติหาเรื่องที่จะมันาหาเรื่องที่จะให้มันรู้อยู่เสมอไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยแต่บางคนมาทำเราทาไม่ได้บางคนก็ทำไม่ได้เสียใจเพราะทำไม่ได้ดีใจเพราะทำได้ก็มีไม่ใช่แล้วทำลุน่นลุน่นเป็นกรรมลุวนลุน ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทุกคนก็เคลื่อนไหวไปมาจะไปเอาอะไรควารู้สึกตัวมันไม่ได้ได้มันรู้ไม่ได้ไม่ได้ไปยึดไว้มันรู้มันรู้ความรู้มันเป็นการปล่อยการวางการเป็นธรรมวามรู้สึกตัวนะไม่ได้ไปได้บางคนมันไม่ได้พอสร้างความรู้สึกตัวไปได้ความหลงอสร้างความรู้สึกตัวไปได้ความเครียด เออทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็แปลกเหมือนกันนะความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้เนี่นะไปเอาอะไรอีกพอสร้างความรู้ก็ได้ความง่วงอ้าวมันก็ไม่ใช่หรอกกลับมานะทำ้ห้เราเปลี่ยนเป็นความรู้ความง่วงทำห้เราเปลี่ยนเป็นความรู้ความเครียดทำห้เราเปลี่ยนเป็นความรู้นี่นะตรงนี้มันก็เลยง่ายแต่ความเครียดเป็นความเครียด เราก็เลียดไปความม่วงเป็นความม่่งเอามาเปลี่ยนเป็นความรู้เรีวยกว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติคือเปลี่ยนเน่ยตัวภาวนาคือขยันตัวความเพียรคือใส่ใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยมีความเพียรอย่าปล่ยปลอยฝาละเลยในความม่่งก็มีความเพียรในความหลงก็มีความเพียร ความเพียรไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในความดีก็มีความเพียรในความผิดความถูกความทุกข์ก็มีความเพียรเพียรที่จะทำดีอ้ยคือเย็นะทุกข์กับบัญญัติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือก่้ามันง่วงกว่า้าที่จะปลุกตนเองให้ตื่นมันทุกข์กว่า้าที่จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ เพียนตรงนี้อย่าหลุดไปเลยมันหลุดไปแล้วเอามาตอกันไว้เอามาปะมันขาดไปแล้วก็ปะไว้เพียนมันจึงไม่สิ้นเปลืองความหลงก็สิ้นเปลืองทําให้ความรู้สิ้นเปลืองความทุกข์ก็ทําให้ความไม่ทุกข์สิ้นเปลืองต้องปะไว้ให้ได้ใช่ความไม่ทุกข์ มันหลงก็ประไว้ลูกไว้ที่จะให้ใช้ความไม่หลงมันเรามีเสือ่อผืนหนึ่งพยายามชายใช้ได้มากมันขาดแล้วก็ปะไว้ในเสือ้อผืนหนึ่งมันขาดแล้วก็ปะไว้ในเครื่องใช่ไม่สอยอะลก็ตามปะไว้ซ่อมไว้เพื่อที่จะได้ใช้ได้อีก อันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมความรู้สึกตัวเนี่ยก็ซ่อมเอาไว้มันหลงถือว่ามันเสียล้วก็ซ่อมไว้ให้เกิดความรู้แต่ว่าการซ่อมความรู้เนี่ยมันไม่เหมือนวัตถุมันก็คือความรู้อันเดียวกิริยาที่ทำให้เกิดความรู้อาศัยวัตถุก็มีอาศัยสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแล้วเราก็มีด้วย ไม่เหมือนวัตถุมันมีพร้อมแล้วในชีวิตเราแล้ในกายในการกระทํไมีสตินี่มันพร้อมที่จะไปทาอะไรอะไรได้ในชีวิตเราจะมีกิเลสพันห้าตัณหาหน่อยแปดแปดหมื่นสี่พันเรื่องเรื่องเดียวคือความรู้สึกตัวโดย สร้างความรู้สึกตัวเป็นตัวหลักแปดพันสี่พันเรื่องอาจจะรวมลงอ่กิเลสพันห้าตัณหา1อยแปดอาจจะมีความรู้สึกตัวอันเดียวไปแช่เลยไม่ให้จะมีพันห้าเช่เราเขียนผิดก็มียางลบอันเดียวไปเช็คํำผิดความรู้สึกตัวเนี่ยทำสิ่งต่างๆให้เป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดความหลงกาเป็นความรู้สึกตัว ความสุขก็เป็นความรู้สึกตัวความทุกข์ก็เป็นความรู้สึกตัวความโลภความโกรธความหลงจิเดชตัณหาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาตรงนี้ได้ไหนมาขนาดนี้นะความรู้สึกตัวนะพระพุทธเจ้าจึงเอาและเอะมะโควิสุทธิ์ยะหนึ่งทางที่จะเข้าถึงมาถึงผลหมายเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวไม่ใช่หลายรูปหลายแบบ เราจงสรุปพระพุทธเจ้าสรุปให้เราแล้วความไม่ประมาทคือความรู้สตัวเองอะประมาทโทมัจจโนประถังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายประมาโทมัจจโนประทงังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะมันก็เท่านี้ตอนพระพุทธเจ้าใกล้ไปในผ่านก็พูดเรื่องความไม่ประมาทนะ พระราาในพิกเวอมันตยาไม่โบวยะธรรมะวายะวยะธรรมะสังขลาปมาเทนะสัมปาเถระที่สุทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระวาจารย์ในขั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าสรุปให้เราสวยงาม เราปรองเทสนามาสี่ีดห้าปีมาสรุปลงให้เราอยี่าวสวยคือความไม่ประมาทให้เราก็เอามาทำคือความรู้สึกตัวเนี่ยแหละมาสร้างขึ้นมาแม้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังใช่ได้ความรู้สึกตัวใช่ได้ไม่มีแก่ไม่มหนมุ่มไม่มีนานไม่ไม่ไหวไม่ไม่ม Hey, ไม่มีลัทธิในกายอะไรความรู้สึกตัวเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราว่าแต่อย่าทิ้งความรู้สึกตัวนะอมันจะเป็นอะไรไปก็ตามรู้สึกตัวถ้าเดียวไปก่อนแย่าเพิ่งไปรัวปราบโลภปราบอะไรกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นจย่าไปคลองแหวนสร้างผมรู้สึกตัวตะพิตะพื่พพไป ให้เมยให้มากทำให้มีททำให้มากนี่เป็นการตัดสินใจของนักปฏิบัติไม่ใช่ไปผิดแล้วก็เป็นปัญหาถูกแล้วก็เป็นปัญหาทาเ่าะกันทุกข์ก็เป็นปัญหาสุขก็เป็นปัญหาความรู้สึกตัวมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรกับอะไรความรู้สึกตัวเ่ีฮยเรามาสรา้เรามาสร้างตัวเนี่ย แล้วมันก็จะเกิดการเห็นเห็นแจ้งไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นโูกเห็นนามเห็นศาสนาเห็นบุญเห็นบาปเรื่องๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนได้แสดงเอาว่าพุทธังสระนังกระชามะ้าะเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสณะตัดสินใจแล้ว ทำมังสารนังคาฉาไหมข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสังฆสารนังคาฉาไหมข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะแม่ขั้งที่สองแม่ขั้งที่สามนมันมันม่นใจถึงขนาดนั้นสรณะ ห, หมายถึงที่พึ่งพุทธะคือตัวที่เขาไปเกิดเป็นปอบเป็นกรรมขึ้นมาในชีวิตเา่าคือลูกคือตื่นกวเก่ลไม่หลับไม่หลงอ่ามันเกิดขึ้นมา เป็นพุท ธ, ธเป็นปัญญามันเป็นปัญญาจากการเจริญสติมากลายเป็นปัญญาพุท ธ, ธลูกแก้งต่างเก่าข้นเพราะว่าเดิมมันเป็นพุท ธ, ธเสนวาา ก, ก็เห็นเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นไปมุดตรงไหนมันมี การขล้องการแวะมันก็เห็นความหลุดคมพ้นเป็นคู่กันไปคามมาสวะภาวะสวะวิชาสวะสิ่งที่ทำให้เกิดข้องติดสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นภพสิ่งที่ทำให้เกิดผูกมัดลัดเลงมันก็พดไปมันก็พ้นไปพ้นไปถึงจุดหมายปลายทางคือวิมุตต์หลุดพ่นพอมันรู้มันปลดปล่อยความรู้จักตัวมันไป ไปจากความหลงไปจากทุกอย่างผมรู้สึกตัวพ้นทุกอย่างมันพ้นได้ทุกอย่างว่าใจไมีให้มากกันแอะมันหลงก็พ้นจากความหลงมันสุขก็พ้นจากความสุขมันทุกข์ ก, ก, ก, ก็พ้นจากความทุกข์มันโกรธก็พ้นจากความโกรธมันเห็นมันเป็นอะไรพ้นจากเชิงนั้นเชิงนั้น แล้วจึงจุดหมายปลายทางจนได้พระองค์จึงได้โปรดว่าชาติสิ้นแล้วพุทธมจริยู่จบแล้วปีเดืนที่จะต้องทําไม่มาอีกแล้วนอนจดหมายปลายทางคือมุติหลุดพ้นจากการได้เดินทางสัมผัสกับอะไรมาอราเห็นแล้วก็มาแสดงให้พวกเราฟังแล้วพวกเรามาเดินตามพระองค์ตามรอยอยุคนบาป ลอยพระโยคนบก็คือลอยนี่แหละลอยสติที่ทำให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเนี่เป็นลอยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลอยอิดลอยปูนอันนั้นเอามันเป็นสมมติมันหยัดแล้วเราก็ไปกราบไปไหว้ลอยอันนั้นลอยสติลอยศีลอยสมาธิลอยปัญญาเนี่ย ไม่ได้ไปกราบไปไหว้ที่ไหนมันไหว้อยู่เสมอมีศีลอยู่เสมอมีสมาธิอยู่เสมอมีปัญญายอยู่เสมอจะบอกไหว้นอมไว้มาใส่เราน้อมเราเข้าไปใส่มันหลงเวลาใดน้อมความรู้เข้ามาหาเราเรากไหว้วแล้วไหว้คือน้อมไม่แข็งทื่อคนโกรธคือคนแข็งทื่อคนหลงคือคนแข็งทื่อน้อมเข้ามาน้อมความรู้เข้ามา หาเราสวดไหว้ลอยพระบาทน้อมศิลสมาธิปัญญาเนี่ยพุทธะมันรู้มันตื่นนยไม่ใช่ไปไหว้ที่ไหนมันคือคุณธรรมที่อยู่ในคนเราแต่คุณธรรมมันนี่เราต้องสร้างให้มันเกิดแต่เราไม่สร้างมันก็ไม่เกิดนะ มันจะเกิดอกดุศลโุ้นไปพบภูมิมก็มีพบภูมิไปเหมือนกันนะที่วิเรานะภูมิมันต่ำภูมิที่ไม่จเจริญก็มีเหมือนกันเือเปรตสุรกายสัตว์น ร, รกในรัยฉานไปทางต่ำๆมีมนุษย์สาเปโตสร้างกายใบหน้าเป็นมนุษย์แต่ว่าใจมันต่ำไปเป็นเปรตไปแล้ว ม น, น finished, น like มนุษย์ษาเดลฉันโออ้าวร่างกายเป็นมนุษย์หน้าตาเป็นมนุษย์แต่วใจมันต่ําเป็นเดลฉานไปแล้วขวางแล้วขวงความดีอมนุษย์ษาเดลนาเนตนาโนนาโลโตอ้าวต่างกายเป็นมนุษย์หน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจมันตกนรกไปแล้วเล่าร้อนนอนมนุษย์โสมมนุษย์ษาเออร่างกายเป็นมนุษย์หน้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมน sunny, ุษย์ มนุษย์เทโวโอ้ร่างกายมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดายิ้มแย่้มแจ่มใสบางทีมันก็พบภูมิมันมีเหมือนกันนะภูมิต่ําๆก็มีเรายังมายุบถอนกระแสสร้างความรู้สึกตัว้ำไม่เช่นนั้นมันจะไหลไปสู่ทางต่ำปล่อยปลาละเลยไปได้ชีวิตเราแล้วสิ่งแวดล้อมก็ปล่อยได้เหมือนกันนะไปได้เหมือนกัน อางคนก็ฆ่าพ่อฆ้าแม่หวานในอ่านหนังสือไปดูหลานหลานป่วยที่โงไปบาบาลเอาเฉียงสือเข็มอ่านหนังสือเข็มพ่อฆ้าแม่อลูกข้าพ่อลูกติดยาเสพติดลูกเป็นเอกลูกชายเป็นเอกเมียทิ้งเลยกลับมาอยู่กับพ่อ อายุบ้านสองคนกับพ่อพ่อก็อายุเกือบิบกว่าปีลูก ก, ก็นอนอยู่เพราะว่าหิวข้าวหิวข้าวพ่อก็ลุกไปกําลังหาฟืนมาหุงมาต้มฟืนเอาใส่ก้นหม้อแล้วใส่เตาไฟแล้วกําลังแกะก่อฟืนหุงข้าวให้ลูกลูกก็หิวข้าวหิวข้าว มองเห็นพ่อนั่งก่อไปอยู่พ่อไบบลุกมากโกรธพ่ออะไรจากไ อ, อหัวพ่อพ่อก็ล้มุบลงไปใส่คกเอาเอาสากหินะนะเอาคางไปเกยคกบตีลงไปอีกพ่อก็เมานอนกายคกเขาถ่ายร่ังสือเพ็นไห ม, มโอ้อะนนนหละคนนะมนุษย์นะหน้าตาเป็นมนุษย์ เหมือนเราขายสองแขนสองคอหัวตั้งอยู่บนบ่าเหมือนกันกัแเรามันไปทางต่ำๆผู้บังเกิดเอ้าก็ฆ่าได้มีไหมในโลกเนี่ยมีสองสามวันมานี่จังหวัดแพร่ฆ่าแล้ว <c oughs> บางทีมันอาจจะมาิ่งอยู่ในใจเราก็แม่ โกรธเคืองคนนั่นชอบคนนี้จะฆ่าให้มันได้ฆ่าไม่ได้ก็คิดจะฆ่าอยู่เสมอไปแล้วไปทางต่ำแล้วไปทางต่ำแล้วไม่คิดอะไรสองวันสามวันปีก็ยังไม่คิดอาฆาตพยาบาทผกเวรผูกภัยไว้เนี่ยถ้ามี ปฏิบัติแล้วมันก็ตกไปเรื่อยๆมันน้าไหลจากที่สูงลงตัที่ต่าจิตใจของเรานะมาสว่างอาจจะไปมืดก็ได้เรามาเกิดเนี่มาด้วยศีลด้วยธรรมเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากศีลมาจากธรรมถ้าเราไม่มีศีลไม่ธรรมเราไม่ได้มาเกิดแล้วเดีเราก็มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโอกาสทําบุญให้ทานรักษาศีลบําเพ็ญเพียรภาวนานี่แหละคือมนุษย์ สมบูรณ์แล้วพวกเรากม่อยาให้มันพลาดเถอะนะมาสร้างมาปฏิบัติมาทวนท <c oughs> วนกระแสไม่ให้มันจะไหลไปหลงก็กลับมามาจะไปสุขไปทุกข์ก็กลับมามาจะไปรักไปชังใครที่ไหนก็กลับมากลับมากลับมาได้ทุกท่านที่วันไปมานนี้ อ่ามันมีอยู่นี่หลักมันไมู่่หลักสติปัฏฐานนสูตรมนกายานุปจนารู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละปฏิบัติเท่านี้แหละอรู้สึกตัวรู้สึกตัวะอันที่มันเห็นไม่บ่อ ย, ยมันก็ดีมันหลงก็เห็นความหลงบ้างก็ดีแล้วมันสุขเห็นความสุขมันทุกข์เห็นความทุกข์ทุกทางใจสุขทางใจอ ทุกทางใจทุกทางกายสุขทางกายสุขทางใจหลงก็มีอยู่ตรงนี้แหละไม่หลงก็มีตรงนี้แหละสุขก็อยู่ตรงนี้ทุกก็อยู่ตรงนี้แหละอัญญญนที่จะเป็นเปรตเป็นอสุรกายมั น, понять, น, นก็อยู่ตรงนี้แหละจะเป็นบุญก็อยู่ตรงนี้จะเป็นสวรรค์นิพพานก็อยู่ตรงนี้อ่าจึงไม่ไปไหนไม่ได้ไปศึกษาทีนน่ไหนในกายเป็นข่วงจ อ, อกยาววานาคืบมีสัญญาในจิตใจ มีสติรู้สึกตัวเนี่ยมันทําได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องทําได้พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่เราทําได้แล้วเห็นอะไรเห็นอะไรก็ได้ที่มันสแสดงให้เห็นอ่าเห็นเห็นอะไรเห็นกายที่ยงเที่ยงวัยรู้สึกตัวรู้สึกตัวบางทีมันก็ไม่มีความรู้สึกตัวอะไรที่มันมาแทรกก็เห็นเราก็มีอุบายมีความเพียรมีสติปฏิบัติ กลับมาภาว น, นาสร้างให้ลูกความรู้ให้มากมากให้มันทับถมความหลงไปเรื่อยๆอาความรู้นี่มาความหลงก็ไม่มีค่าเหมือนเกลือเอาใส่ช้อนไปใส่น้ำในสระวัดป่าสุกโตน้ำก็ไม่มีโอกาสเค็มได้แต่น้ำน้อยๆอาจจะเค็มนะไปใส่ในน้ำในถ้วยในชาม อ่าถ้วยชามที่มีหน้ามันจะเค็มไปแล้วถ้าความรู้สึกตัวไม่มีมากความหลงไม่มากก็มันก็หลงไปแล้วนะเมื่อหลงก็ทำได้ทุกอย่างความหลงก็พาไปทาชั่วทำบาปทำกรรมเป็นเวรเป็นภัยเกิดขึ้นเจตัวเราเกิดขึ้นเจตคนอื่นมีผลกระทบไปเรื่อยๆไปนะโอ้ผลของลลกนะตัวหลงอย่างเดียวเห็นไหม หลงไปความในความคิดเห็นไหมอันตัวนี่เล่านะอันหลงไปในความคิดเนี่ยอันหลงไปในกายนี่ไม่อยากขายไม่ปรานีตเท่าไหร่หรอกยังยังห ย, ยากอยู่แต่หลงไปในใจละเอียดถ้าให้มีสติจริงมองไม่เห็นหลงไปในกายก็พอมองเห็นกันได้แต่หลงในใจคนอื่นมองไม่เห็นเป็นบางคนอาจจะคิดโกรธหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่เห็นถ้าคิดโกรธ ด่าเลาเพรอะเออเขาโกรธเราจริงนะเขาด่าเราแล้วเขาคิดโกรธมาฆ่าเลาเพราโอ้เขาโกรธจริงจริงนะเออเห็นได้มันยากแต่ว่าทางใจเนี่มองไม่เห็นนะแต่การเคลื่อนไหวออกกายที่สร้างจิตเห็นได้เคลื่อนไหวไปมาเดินจะ ก, กรมไในรูปได้เพราะเดินก็เห็นได้โอ้เขากำลังสร้างความรู้จึกตัวนะเขากำลังเดินอยู่นะเห็นได้อันลงไว้ใน เขารู้สึกตัวไปอยู่ลมหายใจอาจจะมองพอเห็นได้เขาหายใจเข้าหายใจออกเขารู้สึกตัวเขารู้สึกตัวอยู่กับชีวิตของเขาไม่ใช่ลมหายใจไม้แต่อยู่เฉใๆเขาก็รู้เอออันนั้นก็มองไม่เห็นความรู้เขาละเอียดจนไม่ต้องเมแล้วอาจจะไม่ต้องสร้างยกป่สร้างแหว่าก็รู้ได้นะวางคนนะ โอ้โค so no, so ือเขาเจริญเลยความรู้ล้อะไรชีวิตของเขาคือความรู้ทั้งหมดหายใจคือความรู้สึกตัวพริบตาคือความรู้สึกตัวเกลื่อนไหวไปมาคือความรู้สึกตัวเป็นมันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันรู้นะมันเป็นทั้งหมดของชีวิตคือความรู้สึกตัวมันเป็นแล้วมันไม่เอาหลงมันเป็นแล้ว นลงมาเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่มันไม่เอามันมีความรู้สึกตัวมันมีความรู้สึกตัวมันเป็นทําไม้มันเป็นมันใช่ให้มันรู้พอที่สุดไม่ได้ทำอะไรทั้งวันไม่ได้ทำอะไรในตัวปฏิบัติเราจึงมาสร้างมาเบื้องต้นเราต้องขยันสักหน่อยนะ จะไปใจ้อนรอได้คอยได้ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรน ะ, ะไม้แต่ปฏิบัติมาเท่าไรเท่าไรมันยังหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรหลงก็ปฏิบัติมานี่สามสิบกว่าปีมันหลงอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราม่หลักแล้วมันหลงทีใดเป็นหน้าที่ของเราเลยทีเดียวต้องเป๊ ะ, ะไม่ไปโยนให้ใคร เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเรื่องของเราโดยตรงเป็นหน้าที่ของเราเป็นภาระของเราถ้ามันต้องมีภาระก็ทํภาระแล้วถ้ามันไม่มีภาระมันก็ไม่ดีนะขอให้มีภาระเนเราเนี่ยแล้วก็คนนั่นให้ไปสอนตัวนนี้คนนี้ไปสอนเออมันดีนะจะได้เป็นประโยชน์บ้างในคำ อธิษฐานใจเราก็อธิษฐานแบบนั้นอธิษฐานบอกว่าให้ให้เรามีโอกาสทำบุญให้ทานมีโอกาสรักษาศีลบำเพ็ญเพียรภาวนามีโอกาสได้มรดกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีโอกาสสอนคนดื่นใหู้้ตา ม, มีความสุขทุกทวดตานโนนจุดหมายปลายทางของเรา ถ้าหลวงพ่ออธิษฐานใจก็ อ, อธิษฐานให้พรคนก็ให้พรแบบนี้ให้เยนเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุวันนาสุขภาระทำจิตกางงานอันชอบด้วยศีลโดยธรรมให้สำเร็จตามความประสงค์แล้วให้มีโอกาสทำบุญให้ฐานรักษาศีลบำเพ็ญเป็นภาวนามีโอกาสบรรลุ ธ, ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ แล้วช่วยคนอื่นให้รู้ตามเกิดความสุขทุกชนหน้าอ้โหหรือจุดหมายปลายทางนะนเราจะขอให้เราไม่ความสุคความสโชไม่ใชนะ่ต้องไปช่วยคนอื่นให้พ้นทุกให้เขา ม, มีสุขเหมือนกันอ่ามันเป็นจุดหมายปลายทางของเราถ้าใครรู้แล้วไม่สอนโอ้ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเป็นปจจ ก, กพุทธไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ เป็นสัมมาสัมพุทธโธไปบอกไปสอนคนอื่นให้ลู่ตามด้วยไม่ได้บอกได้สอนก็ไปทําให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยอย่าเป็นคนลุกรี่ลุกล้นอย่าเป็นคนวู่วามผลผันพันเล่นเยน็ยนเยน็นอย่าหน้าบูดมึนตึงเครียดไปพวกเรามันน้อยมันไม่มีผู้คนที่จะเป็นแบบเป็นอย่างอย่าไปสุบบุหรี่อย่าไปกินเหล้า อย่าไปทะเลาะวิวาทกับใครไปอยู่สงบลมเย็นเป็นดอกปรลิลอยอยู่ในน้าในตระกูลของเราในครอบครัวในหญาติในเพื่อนในมิตรโนนไปช่วยกั น, ใ น, ในไม่ใช่ว่าไปคนเดียวทิ้งทิ้งทุกสิก่ง ท, ท, ทุกอย่างไม่ใช่นะ <S <S เพื่อเรื่องนี้นะเรามาปฏิบัติธรรม ให้มีค่าบ้างให้มีธุละบ้างธุละเอาเอ า, เอาคนเอาผู้เอาคนเอาการเอางานนะอะน้อยก็ต้องพากันอยู่พากันปฏิบัติธรรมพูดให้กันฟังคนหนึ่งช่วยอันหนึ่งคนหนึ่งช่วยอันหนึง่งแม่ครัวก็ช่วยหงช่วยตบอ้าพวกเราก็ช่วยกันปฏิบัติสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดความสุขแก่แม่ครัวอย่าทะเลาะวิวาสนะใครอยู่ในวัดโชกุโตนี่ ไม่สิทธเท่าเทียมกันทุกทุก์ด้วยกันอย่าเนี้นนะแล้วยังมีคนอีกที่ที่เป็นห่วงไม่ค่อยเห็นหน้าอยู่ด้วยกันมามันก็อยู่คนเดียวก็ากินข้าวคนเดียวหลวงพ่อเคยไปชวนกับคุณแอ ด, ดนะอยากให้าให่ากินข้าวด้วยกันเมไลยมันเลือกได้อยู่เขาไม่กินเขากินมังสวิรัติสุกโตก็พอเลือกได้นะอเขากินเจสุกโตก็พอเลือกได้นะ บางคนก็ก็อเอากันอล่นั่นอยู่แล้วอไม่เลิกก็อยู่เลิกกันนี่จึงที่ว่าอยู่ด้วยกันช่วยกันยังยังไม่ถึงดูแลกันไม่วถึงบางทีก็ลืมกันไปเพราะไม่เห็นหน้ากันเราจึงมีวิธีวัดจิตจวัดธรรัดเช้าทำบัดเยนไปบินถ บ, บาบไปฉันอพบกันล้วก็พูดให้กันฟัง หลายคนก็คงได้ยินหลวงพ่อพูดและหลวงพ่อก็สบายได้ได้บอกได้ทำหน้าที่สิ่งที่พูดไปเนี่มันมีความสุขมันสนุกมนกันนะพอได้บอกความจริงนะแต่ไปให้พูดน่ยโอ้ยอมันก็ไม่มีค่าอะไรมันมันชีวิตเนี่ยเพื่อมาเรื่องนี้โดยตรงอย่ไปคิว่าโ้หลวงพ่อมีพรละ ไม่ให้หลวงพ่อยุ่งยากด้วยอย่าไปพูดเรงนั้นไม่ได้เป็นความยากการบอกการสอนกันเนี่ยก็<ม>ให้บอกมันมีภาระมีปัญหาอะไรบอกการอย่างนี้นะอะาใจยินหรอใจเยินไหมอฮาไม่กลัวก็ไปทํากลัวหลวงพ่อก็ไปอย่างนี้เนาะอ่าคนนี้จะอยู่วัดหรือเปล่าเ่ า, าอยากจะอยู่วัดเหมือนกัน ก็สมควรใช้เวลาตับพักพร้อมกันอระหังสมมาสัมพุทธ佛กวาุทังขะวันตังอะพิวัติสวาคาโตพกวตาธรรมะทามังนมะส สุปฏิปันโนข a อเขาวาตุสร้างวากาสรงโกสรงขังน้ำมั